ธรรมโมหะเวรักขดีธรรมะจารินธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติ ก็พูดให้คนที่ไม่เป็นฟังเขาจะได้กําลังใจให้กําลังใจในการฟังนะถ้าไม่งั้นล่ะก็จะไปไม่เป็นมันต้องอาศัยคนที่เป็นแล้วพาไปคนที่รู้ทางพาไป คนที่เคยเดินทางไปถึงจุดหมายอ่าอีกตอน เราต้องเอาเวลาที่ไม่หลับตาที่เราทํางานในชีวิตประจําวันเนี่ยเรามาภาวนาอ่า งั้นถ้าแม้เห็นว่าเงาอันนั้นออกมาจากไหนอ่าเงาเงามันอยู่ข้างในนะตัวจริง นั่นนั่นคืออาการของมันตัวตัวจริงของมันอยู่ข้างในนะอันนั้นคือเครือเงาของมันอ่าเป็นอาการเป็นแค่ความรู้สึกแต่ที่ออกไปอ่ารู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบอ่ารู้สึกโน้ตวิดรู้สึกโกรธเนี่ยมันมีมีอาการออกไปแบบนั้นแต่เราก็ไปตามแต่คลุบเงาไปกับมันต้นตอ ตัวจริงมันอยู่ในใจเรานี่นะที่มันออกไปเราเป็นตะคุป ทีนี้เราไม่เคยย้อนมาดูตัวเองก็เลยไปเห็นแต่ของข้างนอกนะไปเห็นแต่คนอื่นไปรู้แต่คนอื่นแต่ไม่รู้ตัว เค้าก็ไม่ได้การันตีว่าฉันเป็นเธอนะเค้าก็ไม่ได้ว่าผมเป็นคุณนะเค้าก็นะแต่นะเราคิดนะเนี่ยนะใคร แต่จะไม่เห็นความไม่ดีของตัวเองแนวส่วนมากมันจะเป็นแบบนี้พอเราแต อันนี้เรา 10%, นะ, 10 90, 90, 95% น่าจะไปดู รู้หมดแต่ความไม่ดีของคนอื่นนี่รู้หมดนะแต่ความไม่ อ่าถ้าเอาชนะตัวเองได้แล้วก็ชนะหมดทั้งโลกนี่ ก็ต้องทําตามเค้าอ่าอย่างงั้นมันเป็นนะให้มีสติรู้อยู่กับตัวเองเนี่ย นะเงาเป็นไหร้ก็วิ่งแต่คุกเงาอยู่ข้างนอกนู้นนะไม่รู้ ต้องย้อนสอนนะย้อนสอนเข้ามาข้างในโอปนัยยิโกนะพระพุทธเจ้าบอกว่าโอปนัยยิโกนะตัวเองมันมีนะจะอ่าคน ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีนะจะไปแก้ไขอารมณ์ จรไปจรมาเดี๋ยวมันก็มาให้เราชอบเดี๋ยวก็มาให้เราไม่ชอบเธอก็ไปโกรธไปเกลียดไปรักไปชัง หน้าต้นตอมันอยู่ข้างในนี่อ่าความโลภความโลภความโกรธความหลงมันอยู่ข้างใน อ่านี่แค่ที่นะอนุบาลนะถ้าว่าภาวนานี่จะนั่งหลับตาทัน ถ้าไม่หลับตานี่คือไม่ได้ภาวนาถ้าไม่ได้หลับตาก็ติดรูปแบบมันติดรูปแบบเราไม่ต้องมีรูปแบบอารมณ์เวลามันโกรธมันมีรูปแบบมั้ย ไม่ใช่ว่าเรานั่งหลับตาเงี้ยมันถึงจะโกรธ มันจะไปเห็นจิตที่ละเอียดมันก็คงจะยากนะมันต้องเห็นของหยาบคือกายนี่ไปก่อนกายเนี่ยมัน ไม่อยากให้เผลอมันเป็นธรรมชาตินะไม่ต้องไปหงุดหงิดหรอกเอากลับมาอยู่กับตัวเหมือนเดิมก็รู้สึกตัวเหมือนเดิมมันเถอะไป เอาจะตื่นเช้ามาเลยก็ได้เผื่อใครไม่เคยไม่เคยฟังก็จะได้รู้จักตื่นเช้ามาก็ลุกจากที่นอนไปก็มีสติติดไปกับตัวเลยติดเนี่ยไปกับตัวสติอาจจะเดินเดินไปห้องน้ําก็รู้ อย่างั้นน่ะถ้ารู้อยู่ตลอดเวลามันเผลอไม่เป็นไรไม่ต้องไปบ่นไปด่านะไม่ต้องไปพูดไปภาคเวลา มันเก็บทําอะไรมันก็เป็นธรรมชาติหมดแต่มันไม่มี มันเปล่าไปก็ไม่เป็นแล้วกับรู้สึกตัวอีกส่วนมากถ้าเราไม่ มันเห็นกายหยาบแล้วนะมันมันจะทันความคิดแล้วฝึกสติสะสมไปมากๆน่ะมันจะ อ่ามันจะเห็นมันคิดน่ะต่อไปแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นมันคิด เดี๋ยวมันจะแยกออกให้เราเห็นแบบนี้เนี่ยเราฝึกสติไปเรื่อยๆเนี่ยจน น้ำเกี่ยวแข่งเกี่ยวขานะอันนั้นมันอยู่ในป่านู่นมันเข้าลึกเข้าป่าไปนู่นนะ อันนี้จะเห็นมันโกรธเลยถ้าเป็นอย่างงี้ ความความลังเลสงสัยในหายหมดไม่ลังเลไม่สงสัยแล้วนะครับเป๊ะท่านมันแยกให้เห็นเลยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยล่ะ นะพอเราเราไปถึงความคิดปุ๊บมันก็จะเป็นตัวหนึ่งแล้วเราเป็นตัวนึงมันก็จะแยกพอคิดมาปุ๊บมันฉันนี่จากอนุภาคตัวหนึ่งที่ปาร์ตี้มันจะคิด อันนี้แยกจากกัน ดูแค่ช่วง พอเรารู้สึกตัวปั๊บมันก็กลับอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เดิมมันไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนหรอกแต่เป็นคําพูดที่ การผู้รู้กับอันนึงแล้วไอ้ไอ้สิ่งที่ถูกรู้กับอันนึงไอ้ความคิดปรุงแต่งทั้งหลายมันจากไหน แต่เราไม่ว่านะไอ้อันนี้แค่แค่พูดให้เข้าใจไม่ใช่ เราไปสนใจแต่ไอ้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยอารมณ์นั้นอารมณ์นี่ชอบใจไม่ชอบใจอดีตอนาคตเราไปอยู่กับพวกนั้นเราไม่ย่นมาอยู่กับตัวรู้อัน<ใช> เพราะเพราะเราไม่เคยฝืนเคยชินของมันเพราะเราไม่มีแต่ความโลบโกรธหลงเนี่ยมันออกไปจากไหนอ่าเราไม่รู้จักต้นตอของมันนะถ้าเรา ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างหลวงพ่อก็ มันเฉยๆรุชิเฉยมันชอบไม่ชอบก็รู้เฉยๆมันโกรธมาเราก็รู้เฉยๆเนี่ยทําอยู่แค่นี้ ถ้าสายอีสานมันชิดมาก็ฮู้ซื่อๆมันบ่พอใจก็ฮู้ซื่อๆอ่ามันงุดอิดก็ฮู้ซื่อๆ อันนี้ตัวตนมันจะน้อยลงถ้าเรารู้เฉยๆไปเนี่ยเราจะไม่เข้าไปเป็นมันแล้วทุกข์จะน้อยลง อย่าแค่มันนิ่งมันเฉยให้อยู่เหมือนคนตายเนี่ยนะไม่อยากให้มันคิดเดี๋ยวพอคิดขึ้นมากระหึ่มยิบอีกแล้ว ส่วนใหญ่จะตามไปแหละครับมันได้จะตามเพราะเราไม่มีสติแต่นี่เราไม่ห้ามความคิดแต่เราไม่ วันนึงอาจจะรู้สึกตัวได้ครั้งเดียวก็มีบางคนไม่รู้ออกไปตรงไหน ความคิดเท่านั้นเองที่มันทุกข์เนี่ยถ้าสติทันความ Yeah. แยกแยกกันเป็นคนละส่วนมันไม่ใช่ก้อนเดียวกันเนี่ยเนี่ยนะเห็นต้นทาง อ่าคิดมารู้ทันดับในคิดมามันจะ พ่อไก่หอไข่พ่อแม่ก็สอนไปเรื่อยนะจับมือเขียนกอไก่หอไข่นั่นทีนี้พอ มันเด็กอนุบาลนี่แหละพอขึ้นประถมศึกษาแล้วมันง่ายเองอ่ะความเคยชินที่เราทํานะ ก็เป็นอาการของจิตหมดนั่นแหละสรุปแล้วมันเป็นอาการของจิตคิดมา เนี่ยแล้วมันๆมันจะถีเข้าถีเข้านะมันจะหดเข้ามาเนี่ยความรู้สึกความอะไรมันจะหดสั่นเข้ามาหดสั่นเข้ามาแต่ก่อนมันไม่สั่นหรอกเพราะ <ด S 1> จะจะมาเข้ามาหาผู้รู้ผู้หลงเนี่ยแหละนะมันไม่เป็น ดูละจิตนิดนึงดูดูว่าเค้าไปหลงอะไรมั้ยดูความโลภความโกรธความหลงอะไรมันมีขึ้น มรรคมันเต็มนะศีลสมาธิปัญญาเต็มมรรคค่ะเจ้าค่ะเอ่อเมื่อเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมค่ะหนูไปปฏิบัติธรรมที่ที่ที่ ทุกเช้าค่ะ 5:00 น. แต่ประมาณบ่าย 2:00 น. หนูก็นั่งภาวนาในห้องนะคะ นําด้วยลมหายใจก่อนพอลมใจพอลมหาย หนูหนูก็แปลกใจว่าถ้าหนู น้องมนนาที่เตียงพระพณุแค่เองเนาะเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นโพร่งมันก็สว่างขึ้นมา เป็นอาการเกิดดับหมดใช่ค่ะอ่าอ่าค่ะไม่ให้เราไปชมมันไปให้ตัวอาการอ๋อตนรู้ไปไงเออเราเราแค่รู้แค่ มิติอะไรหรือเปล่าคะพอวันพระวันตอนตอนเช้า 05.00 น. มาเค้ามาหาหนู อ่าแต่นี้พอพออีกวันนึงอีกวันนึงหนูก็นั่งนั่งในห้องเหมือนกันฮะอ้อหนู มันอยู่ตรงตรงแท้มันที่มันออกมาเองอ่ะค่ะมันมันมันมันอ๋อ ไอ้ผู้มันเห็นมันเห็นก็อยู่ตรงนี้ไอ้ผู้คิดมันก็คิดอยู่ตรงนี้อืมมันเห็นมันเห็นผู้ดูก็เห็นอืม ไปอารมณ์เสียกับมันว่าคิด แต่ว่ามันเป็นของมันเองเราเราก็ไม่คิดว่าเราก็จะห้ามมันก็ มันมันดังไม่เคลียร์นะเอออ๋อรู้ค่ะอ่ามันจะใช่อัน มันก็เห็นตัวกายแม่งมันก็เห็นอาการคิดใช่มี 3 ตัวนะตัวดูอยู่อันนึงแล้วกายกายอยู่ข้างหลังกายเนี่ยถอยมาอยู่ข้างหลังแล้ว ก็แค่แค่รู้แค่ดูไปเรื่อยที่มา มันว่างเปล่าอ่ะฮะมันไม่ได้คิดอะไรมันลุกแต่แบบในจิตที่ว่าว่างเปล่าคือรู้หนออย่างเดียวฮะแต่เราเราเราไม่ได้พูดออกมาค่ะก็เห็นอะไรก็เห็นแล้วก็นี่อัน นี่เขาเรียกว่าว่างแบบสมถะค่ะถ้าว่างแบบวิปัสสนามันก็อีกอันนึงค่ะอ่ามันก็ว่างจิตว่างค่ะว่างอีกอันนึงคือ ค่ะทีนี้ว่าว่าโยมนี่ว่างอยู่นี่อันที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 เนี่ยว่างคือพอเรา อ่าแต่แต่มันอยู่แค่ขั้นสมถะนะฮะสงบแบบนึง แต่ว่างจากตัวจากตนเนี่ยมันว่างโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันมันไม่มีตัว มันเป็นแค่อักสังขารการปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของมันเท่านั้นเองค่ะ อาการของจิตกับยังเป็นผู้รู้ผู้หลงอยู่ล่ะตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะใช่ค่ะก็ว่างอ่าก็แค่รู้รู้มันว่าง เนี่ยไม่อันน่ะนะอยู่ตรงกลางรู้เฉยๆไปเรื่อยๆเงี้ยมันจะแยกจิตไปเงี้ยต่อไปมัน ยังมีตัวตนอยู่ในความว่างกับว่างไม่มีตัวตนยังจะเป็นอย่างงี้ให้โยมนี่เล่าอาการให้ให้เพื่อนเค้าฟัง เอ่อหลวงพ่อเจ้าค่ะ 18 แล้วค่ะ 60 ปีเจ้าค่ะยอมก็เหมือนกับพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะลอง คือถ้าจะให้คือถ้าจะให้เล่า เริ่มปฏิบัติตั้งแต่อายุ 18 ตอนนั้นหลวงพ่อ ลองผิดลองถูกสุดอาจารย์ทุกๆองค์คือไปติดสมถะเจ้าค่ะยอมแค่นั่ง 4 แล้ว อยู่จนน่าจะ 5-6 ปีเลยนะคะหรือ เข้าทั้งๆที่ค่ะความสงบของโยมก็คือโยมไม่สามารถที่ค่ะโยมก็ติดอย่างนั้นมาหลายปีสุดท้ายโยมมาเจอเอ่อหลวงพ่อ โยมก็มีความศรัทธาในคําสอนของท่านมาก หลวงปู่สาครที่วัดเวฬุวันจังหวัดกาญจนบุรี แต่โยมคิดว่าไม่วันตอน 8:00 น. โยมตั้งใจว่าโยมจะมาเวียนเทียนที่สนามหลวงวันนั้นมีพระบรมสารีริกธาตุ โยมก็ได้เวียนตระกูล 3 รอบแล้ว โยมเกิดเหตุการณ์ 3 ครั้งในคร 12 ปีที่แล้วความคร 4 แล้วก็อากาสานัญจายตนะ 6 ปี เอ่อโยมได้แต่โยมมาชนะได้ทั้งๆที่บทสวดเหล่านั้นโยมสวดได้อย่าง คราวนี้มันไม่ได้รวมเหมือนทุกๆครั้งจ้ะค่ะพอ คือโยมไม่สามารถที่จะมองกระจก ทั้งหมดแล้วยอมให้เพื่อนก็ ท่านก็ไปพัก น่าจะเป็นหลวงปู่โคบาอีกอาจารย์อีกองค์นึงที่รับรองสภาวะ ปฏิบัตินะคะในแนวของธรรมยุตตลอดมา อันที่ท่านอยู่ที่จังหวัดเชียงรายท่านบอกโยมว่าไม่ให้ยืนนั่งจะนอนให้กําหนดความรู้สึกตัว ให้ได้อยู่เนืองๆบ่อย ผิวหนังแต่ข้างในของโยมเนี่ยโยมก็คือผิวหนังของลูกโป่งแต่ข้างในของให้ให้จิตของโยมอยู่ๆโล่งๆว่างๆอยู่ในกายแล้ว 30 ตุลาคม 2565 เมื่อกับ 3 ปีที่แล้วใช่ค่ะวันนั้นโยมก็ทานข้าวเช้าอยู่กับลูกสาว 2 คนโยมก็ได้ลูกสาวฟังว่าเอ๊ะวันนี้เป็นอีก พอโยมเล่าอย่างนี้แล้วโยมไปเห็นสภาวะที่โยมเห็น โยมเคยเห็นอยู่ทุกวันมันเปิดขึ้นมา de โยมก็เห็นสภาวะทุกอย่างตามความเป็นจริงโยมไม่รู้จะพูดยัง มาๆจะมองเป็นเป็นคนไม่ถูกมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของไม่ถูก มันเห็นตามความเป็นจริงใช่ค่ะถ้าจะมองเป็นเกิดดับก็ใช่เป็น แม่ก็ทั้งลูก 30 65 จนถึงบัดนี้ อยู่ในสูตรอาหารข้างล่างโยมมองไปที่ทุกคนๆ แล้วก็บางทีหลังจากวัน ตามที่หลวงหลวงปู่พูดทุกอย่างทุกคําพูดไม่ผิดเพี้ยนเลยคือวันที่โยมมาฟังเอ่อหลวง หลวงปู่แสดงออกมาโยมได้ปฏิบัติแล้วก็เห็นผลจริงทั้งทั้งที่โยมค้าขายเจ้าค่ะมีสามีมี ไม่สามารถส่งจิตออกนอกสามารถส่งจิตออกนอกแล้วหลังจากนั้นจิต จะพูดให้คนที่เค้าๆก็กําหนดความรู้สึกตัวเฉยๆค่ะยืนคือรู้ นี่ไปถึงคําสอนหลวงปู่ท่านยันทะโลนะคะวันไม่ส่งจิตออกนอกถวายหลวงปู่เพราะท่านท่านอาพาธท่านขอ <ม. S 1> แล้วก็ แค่รู้สึกตัวคําบริกรรมก็ไม่ 30 40 ปีมานิ่งเฉยๆอยู่นั่นน่ะแต่ที กรรมีมันเผลอก็อย่างที่ว่าไม่ต้องไป ไม่ต้องไปนั่งก็ได้คิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันคิดไปรู้ทันความคิดเนี่ยอ่าไม่ต้องไปรู้ว่า เราไม่หลงนะพอรู้อยู่แต่ข้างในไม่อะไรหรอกทําสบาย นะจิตก็มีแล้วนะเนี่ยมีพร้อมแล้วไม่ต้องไปเช่าไม่ต้องไปขอยืมใครเข้ามาทํามันมีทุกคนกายกับจิตนี่มีทุกคนมันก็มีแต่ นะ, ความคิดปรุงแต่งออกไปเนี่ยออกนอกอย่างเดียวอดีตอนาคตนั่นแหละมันเลยไม่เห็นตัวเองเนี่ยถ้ามีศีลสติรู้ดูเราจนไม่เป็นเราเอาดูเรายืนก็ดู อันนี้มันเป็นเราอยู่ตลอดเพราะเราไม่ดูมันเราออกไปกับความคิดน่ะออกไปตามความคิดของอนาคตเห็น มีสติอยู่กับตัวมันก็อยู่แต่ข้างในนี่แหละคิดบัง เห็นความไม่ดีของคนอื่นแต่ความไม่ดีของตัวเองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้แก้ตัวเองสัก ยึดอะไรไม่ได้สักอย่างแม้แต่ธรรมท่านก็บอกมาเกิดความพอใจไม่ หูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเกิดความชอบไม่ชอบเกิดความพอใจไม่พอใจหูก็เป็นหูหาเรื่องตาก็เป็นตาหาเรื่องเพราะมันออกนอกมันไม่อยู่แต่จิตอันนี้ก็ไม่ใช่เรามันไม่ไปหลงอะไรทั้งนั้นล่ะมันของของของปลอม ธาตุจริงมี 1 เดียวเท่านั้นนะแล้วมันก็ ได้อีก 5 นาทีเออก็อีกประมาณ 45 นาทีหลวงปู่จะมาเทศน์แล้วนะอีก 10 นาทีนี้นี่ 20 นาทีหลวงปู่เดี๋ยว ผู้ผู้รู้อย่างเป็นผู้หลงนะครับกับผู้รู้เนี่ยเราผู้หลงน่ะผมสมมุติว่าเรารู้ครับมันหลงว่า แล้วก็กลับมาแล้วก็ครับกับ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมีเวลาก็จะนิมนต์หลวง นะครับจะผู้รู้เนี่ยระวังหลงนะผมอ่ะหลงผู้รู้เป็นผู้มาแล้วหลงว่าว่าตัวไม่ใช่ถ้าผู้รู้จริงๆเค้าต้องรู้อิสระชา นะครับแต่ไม่ต้องไปหลงตามเค้าแค่รู้แค่รู้ ถ้าเราไม่รู้เฉยๆเดี๋ยวก็ก็เป็นไปเป็นกับมันหมดนะเกลียดชอบก็ไปชอบมันไม่ชอบ เนี่ยแยกอาการออกจากจิตจนอิสระสละอิสระ ยินครับสาธุครับครับครับเดี๋ยวเคยจริงๆถ้า YouTube ตลอดนะครับจาก Google นะครับเสิร์ช Rakhati, Kama